พระธาที่ได้รับมาเนี่ยเป็นของก็งเ็นพระสังฆราชทงก็ประทานให้พวกเรามาไปขอเนี่ยพระองค์ก็ให้ให้มาอันนี้กันเนื่องมาจากเราสร้างเจดียด์ของคุณแม่ทีแรกก็คิดว่าสร้างเจดียด์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอา อธิษฐานคุณแม่อยู่พังบนยอดเจดีย์ีได้มาพิจรารนณานดูแล้วความสูงต่ำคล้ายๆกับว่าเราจึงอยู่ในโลกสมมตุติถ้าบว่าพวกเราทำให้ถูกมันก็ไม่ถูกเป็นอนันตการไป็นยาวยาวนานไปทีเดียวเพราะนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วคิดว่า็เลยตกลงกันว่ายอดเจดีย์ควรจะเป็นพระพรมสาหรือริตธาและก็เป็นธาตุพระหัน หรือธาตุคูบาจารันสายลงปู่ของเราลงปู่มั่นลงปู่เสาของเราที่เป็นพระธาตแล้ว น, ะ, นะที่เป็นพระธาตแล้วที่เป็นเม็ดตลมแล้วก็คงจะขึ้นไปบรรจุบนยอดเจดียในบนยอดเจดียนั้นก็จะเป็นโรงใหญ่ยอยู่ประมันตารางหรือตารางเม็ดแล้วก็จะปูบุก ด, ด้วยหิงไก่นิดหรือบุก ด, ด้วยโมโเสก ิรีแล้วจะมีแท่นตรงกลางจากนั้นก็คงจะวางพรกปรมสาลีนิสธาตุไว้ในแท่นตรงกลางแต่ก็ร้อมรอบก็คงจะเป็นธาตุพระพันสาบกจากนั้นก็คงจะเทปิดเลยเพราะนั้นจะปิดไม่มีช่องที่จะเดนั่นเลยทำโครงเหล็กปิดเทคอนกรีตให้แข็งแรงจากนั้นก็ติดโมเส็กลงมา ลงมาเรื่อยๆว่างั้นนี่แหละจคือได้ตกลงกันอย่างนั้นจากนี้เราเราจะรับพบระปรอศาลีลักระธจากที่ไหนก็มีหลายๆคนที่เอามาจากวัดหลวงปู่จามีท่านก็ไปขอท่านท่านก็ให้ถ้าบอกให้จํานวนเดิมแต่ไม่รู้จะให้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าท่านจะให้ทีนี้เราก็เอาจากที่ไหนก็ เพราะเจ้าพรคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านก็เคยประทานให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศแล้วก็หลายๆประเทศที่เข้ามาขอองค์แต่คราวนี้พวกเราก็เห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะไปรับพระภาตุจากเจ้าพระคุณสมเด็จจึงได้มีหนังสือเป็นทําเป็นหนังสือเป็นลายลกษณ์อักษรเพื่อไปขอรับอ่า ประทานจากพระองค์ท่านมาเพื่อปฏิสฐานผลยอดเยียดีของคุณแม่ชีแก้วเลยทำหนังสือไปสังสำนักเลขาสานักเลขาธุการประจำคาะท่านก่อนตอบรับจากหนก้นกระดาษณพระองค์ขณะพวกเราจรึงได้หมายจังมีกำหนดการไปรับเง่อวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด ที่ผ่านมาสองสามวันนี้แหละวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดธันวาคมมาถึงวัดพวกเราแล้วก็เมื่อถึงวัดพวกเราแล้วต่อไปก็คงจะอัญเชิญพระปรมสารีริ์ธาตุไปที่บ้านห้วยทรายแล้วก็คงจะไปไว้ที่ศาลาของคุณแม่ สาราเมชีสนักทีนั่นล่ละเมื่อไว้ที่นั่นแล้วเขาคงจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเย็นประมาณบ่ายสี่โมงคงจะมีการตั้งขบวนแพระบรมสารีริกธาตุจากศาราไปสู่เจดีย์แล้วก็คงจะตั้งแท่นไว้ข้ามเจดีย์พอคงีนเช้าวันที่ยี่สิบสอง พระสงฆ์มาในงานบิณาบาทฉันเสร็จเกียบ้อยแล้วก็คงจะพระสงฆ์เข้าประจำที่ไหวพระรับสินจากนั้นก็คงจะอัญเชิญพระพรมสาหรีนิกธาตุขึ้นไปสูงบนยอดเจดีย์พระสงฆ์ก็คงจะสวจชัยมงคลคาถาจากนั้นก็ให้สินให้พร ก็เป็นกันอันว่าจบที่ทีในวันที่ยีนะ่สิบสองมกรานีีงานของเราก็เป็นถ้าจะว่าไปงานของคุณแม่ก็เป็นสามขยับเืออันดับแรก จ, จะคือยกชัดยกยอดเจดียเรียบร้อยแล้วมาวันที่ยี่สิบธันวาแล้วก็จะบรรจุพบรมสารีริกภาตวันที่ยี่สิบสอง มกรา49วันจกยอดฉัดวันที่20ธันวา2548วันถูกพบรมสาลีสัจิะธาตุวันที่22 ม, รมรรกา 42, มรา2549แล้วก็เจดีจะแล้วเสร็จ รับเหมาและในช่างที่ผู้ควกกลุมงานเขาบอกว่าประมาณสักวันเดือนมีนาและเมษาต้นเมษาเสร็จแน่นอนแล้วก็รอบบริเวณเจดีย์กะที่ว่าจะฉลองหรือมอบได้มอบเจดียได้ก็คงจะเป็นวันที่สิบแปดเป็นวันครบรอบปันมรณะภาพของคุณแม่ที่พวกเราเคยทำบุญทุกปีที่วัดของเรานะี่ะแต่ทีนี้ ปีหน้านีปี49เนี้ยคงจะไปทําบุญที่รุ่นอ่ะเป็นการฉลองมอบเจดียด์ถวายเจดียด์ด้วยที่สำนักที่วันที่18มิถุนา2549จะเป็นไปได้นะแต่คงจะการาบราชนาอง์หลวงตามาเป็นองค์ดแสดงธรรมและรับผ า, าป่าท่านอาจะจะพูดถึงเรื่องอนาคต แต่ความมุ่งมั่นอย่างนั้นให้องคผมลงตา ม, มาบรรจุอธิษฐานของคุณแม่ตรงที่ที่นั่งของคุณแม่อันนี้แหละคืองานที่พวกเราจะสร้างแต่จะน่ประคงจะจบละพันหลวงพ่อเขาคงจะเบา อ, อกพอใจถ้าเจดีคุณแม่เสร็จแล้วแต่ออก่อนก็หนักใจไหมก็ไม่ถึงกัน ห, หนักใจก็ต้องได้คิดเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ แต่จะไปคิดแบบง่ายๆก็ไม่ได้เมื่อเราทําตามโลกสมมุติเราก็ต้องทําให้ตามหลกสมมติเอถ้าเราจะออกปรมัจา์อย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องพระสูตรประสองว่าตามพระสูตรไปพระวินัยก็ต้องผ่าว่าตามพระวินัยพระสูตรประสองว่าตามพระสูตรพระสูพระวินัยคืออะไรพระวินัยคื อ, อคกฎระเบียบพระสูตรประสองพูดตามเรื่องเราวควรจะทําอย่างไรอย่าง จัดขบวนหรือว่าทำวัดกลวะอันนี้จะเชื่อมพระสูตรทั้งหมดความเป็นมาส่วนปรมัตตธรรมนั่นก็คือหลักการภาวนาปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุสีทินน้ำลงไปไม่ควรยึดมั่นชื่อมั่นอันนั้นคือปรมัตตอันนั้นอยู่ในใจของเราในเมื่อเราอยู่ในโลกสมมุติเราก็ระทงทําตามให้ถูกกับโลกสมมุติ ให้ถูกครับพระสูตรพระสูตรคือการเป็นอยู่เดี๋ยวนี้พวกเราจะไม่ถึงขั้นปรมาทธรรมเลยถึงพระสูตรอยู่จะมีการดำรงคงชีพตัมมาหาเลี้ยงชีพอด้วยปจัจจัยสี่พวกเราก็ต้องทําให้ถูกตามโลกสมมติอย่างพวกเราทำนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทําถูกทั้งพระวินยัยทำพระสูตทรตทั้งพระประมัาท ให้เรารู้จักทั้งสามเรื่องนี้แล้วพวกเราจะทําอะไรถูกต้องเป็นสิ่งเป็นธรรมเป็นเรื่องเป็นเราเไม่ขัดกันเพราะงั้นไปด้วยกันไม่ขัดกันแยกเสี้ยให้ออกนี่แหละสรุปแล้ว่งซื้อให้ใช้ปัญญากาลเทสะตามสถานที่แต่ไปที่ไหนเราจะพูดแต่ปรมาจารยงเดียวก็ไม่ได้ แต่จะพูดจะถ้าถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้จะพูดเกี่ยวกับพวินัยอย่างเรียวก็ไม่ได้ในในขราวเมื่อพูดพวินยัยเรื่องกฎระเบียบเราก็ต้องพูดเรื่องพวินัยรเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องการอยู่เรื่องสิง่เรื่องถ้าถูก็คือการเรื่องราวของพวกเราจะดำรงคงชีพเป็นยังไงความเป็นมาของพวกเราเราทํามาอย่างไงเราจะทําไปยังไงเราจะทรงตัวยังไงเราจะปฏิบัติตัวอย่างไร อันนี้อย่างพระสูส่วนท่าปรมตาสังก็คือความคิดในใจนะความคิดในใจนั่นเองคือพิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราใจก็ไม่ใช่เราเนี่ยสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่มั่นคงทั้งนั้นไม่วควรยึดมั่นถึงมันอันนั้นคือธรรมะในใจเรียกว่าปรมาสังกับปนะพวกเราแยกให้ถูก ถ้าเราจะไปพูดเตื่องใจอย่างเดียวอไปทะเลาะไปพูดกับใครมันก็ทะเลาะกับเขาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักการสถานที่บุคคลควรทําตัวอย่างไงควรปฏิบัติตัวอย่างไงควรทำใจอย่างไรพวกเราจะทําถูกต้องเป็นธรรมสวยงดงามนะเพราะฉะนั้นพวกเราทําในวันนี้อันนี้ทําให้ถูกตามพระสูตรนะในพวกเราให้เขาใจว่าอันนะี้คือพะสดุ์ คือกาพพรมสาลีวิสระทาในครั้งของพระพุทธเจ้าของเรามีไหมมีเอประวัติอบรมสาลีวิสทาของพระพุทธเจ้ากัสสปะมีนางคนหนึ่งนางกับอะไรอัตตาพิลา น, นี่อะไรเนี่ยผมพอจำไม่ชัดนะก่อนหนัน้นก่อนมาที่จะมาเกิดในชาตินี้เกิดชาติก่อนนางมีร่างกายหมืน่น ไปที่ไหนเหม็นจนไม่มีการจนไม่มีใครแต่งงานด้วยวันนั้นเอยอาทำไมจึงเหม็นเ่องงพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสมัยนั้นอนวัดนนางพัฒกาทีรลานี้เนี่ยเวลาเขาหล่ออิดทองคํามาทำเจดียด์ของพระพุทธเจ้าประตปะนางได้ข้าม น, นางได้ข้ามก้อนอิก ที่เขาจะบบูที่เขาจะไปใส่พระธาตุพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัสสปะเพียงข้ามก้อนอิฐทองคำเท่านั้นแหละบาปตำมตัว น, นั้นแหละทำให้นางมีร่างกายเหม็นจนไม่มีการแต่งงานจนผลสุด ป, ป ร, ร้ปว่าการกระทำของนางนนั้ผิดไม่ถูกต้องก็ได้ไปดอกไม้ไปคาวะสารภาพ ต่อบาปกรรมที่ตนเองไม่ได้ทำไม่ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง น, นั้นร่างกายนางก็หายเป็นปกติอันนี้ก็คือมันมีความเป็นมาอยู่เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุถ้าว่าใครทําไม่ถูกต้องเ็าบาปกรรมอย่างเศรษฐีที่ลงพออเคยพูดให้ฟังสองตายายเป็นเจ้าของร้านทอง สมัยนั้นแต่คือเขาจะสร้างเจดีพระพุทธเจ้าพระสะพเจะเขาจะทำพระอบพระอบก็คือพระอบทองคำาน่จะใส่พระเจดีข้างในแต่คงหาเจ้าภาพาหายากแต่พระอรหันต์เป็นผู้พาสร้างได้แต่พระอรหันต์เป็นผู้พาดำเนินในการก่อสร้าง ท่านก็มีอนาคตตังสยามใช่ไมคิดดูละใครจะเป็นผู้มีสถายท่านก็เห็นสองตายายที่เป็นเจ้าของท่าเจ้าของร้านทองเนี่ยสองมีลูกชายอยู่สองคนพ ร, พระอาหารหันต์ท่านก็เลยเข้าไปเข้าไปก็2สองตายายกำลังกาลังทะเลาะกันอยู่สองพ่เมียกำลังทะเลาะ ก, กันอ ย, อออกกนอยู่เรื่องอะไรเขาไม่รู้ละ่ะสพระอราหันต์ท่านก็เข้าไปจนว่าโอ้โยม อาจจะมาเข้ามานี่ก็มาบอกบุญอยากจะได้พระอบทองคำเพื่อจะไปบรรจุพระปรสารีฤทธาธิษฐาของพระพุทธเจ้ากัสปะถ้าว่าเป็นไปได้พ็อยากจะให้โยมช่วยพระอบทองคำได้ไหมโยมเสดสพ่อบ้านกำลังโมโหให้แม่บ้านอยู่นั้นจะเออกำลังูวีโมวีเอยู่ก็เลยบอ หาหยุ่งจริงๆวะทำไมหายุ่งกับกระดูกพอพุทธเจ้ายุ่งเยองบ้วนไวแถมมันก็จะจบจากสิ้นออกไปโยนลงน้าแล้วแล้วไปจบไปหาหยุ่งอะไรมากมายตั้งนับท่นานท่านเป็นพระอรหารท่านก็ไม่โสดแต่ท่านรู้แล้วว่าจะท้องได้ท่านก็ได้เดินยิ้มออกมาท่านบอกไปว่าอะไร พอออกมาที่นี่แม่บ้านเขาบอกไว้เจ้านั้นน้ำลบอเอวีจีจริงๆพวกเราทะเลาะกันในครอบครัวไปอรารวัดถึงอธิธาติของพระพุทธเจ้าพระธาติของพระพุทธเจ้าเจ้าในทรงบาปกรรมนแน่ๆนะบาปกรรมมันไม่ใช่ของหนักไม่ใช่ของเบานะเจ้าจะไปเอากระดูพกพระพุทธเจ้าลอยน้ํำยังไงเจ้าทําไมพูดอย่างนั้นมนเรื่องทะเลาะกันกัคือทะเลาะกันในครอบครัวสามีภรรยา อันนี้เราเจ้าอรหัตจะทั้งของพุทธเจ้าเขามาอีกเจ้าทําอย่างนั้นได้ยังไงบากรในเจ้าเนะี่ยเออใช่พอใจดีขชิน ม, มาลาเดซายทีเออลาเดซายอ่ะเอาทําพระคุณพระคุณเจ้าท่านไลยเจ็าใส่พระอกเราก็ทำอยู่ท่นมีอยู่เ น, นทําก็เลยทำพระอกอ่ะพระอกทองคําพอทําพระอกทองคําเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเล ย, เล ย, เลย มีลูกชายอยู่สองคนใช่ไหมคนหนึ่งครับคงจะเป็นหนุ่มแนละ้วแต่คนนยังเป็นเด็กอยู่คนเป็นหนุ่มก็คงสิบห้าสิบหกหนะมั้งคนเป็นหนุ่มก็คงสิบเ็ดสิบสองยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่รู้จักคณะเหมือนกั น, น, นแต่ขณะที่พ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันน่ะที่ชายใหญ่เห็นเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันแล้วแตเห็นพระพระอรหันนะ่ะท่านเข้ามาพูดกับโยมแตนี้พอทําเสียเลยชวนลูกชายคนโตไครับ ลูกพาพ่อไปเอากระอกไปถวายเนี่ยพรุณท่านที่ท่านมาพูดกับเราวันนั้นนะมาขอ้เราทําเสร็จแล้วเอาไปถวายท่านเนี่ยสร้างบุญสร้างทุศนลูกไปสังเวผมไม่ไปละพ่อผมอายท่านทะเลวันนั้นนะพูดให้ท่านก็พูดเกินไปผมไม่ไปหลกสูกชายคนโตวนะันนั้นแต่พ่อไม่รูจะทําไงไปชวนคนเล็กเหมือนไปหนูไปกับพ่อวะ่ะ พ่อจะพาไปทําบุญลูกไปก็ไปที่พ่อพอไปก็พอพ่อลูกก็ไปไปสิต่างคนก็ต่างจบตนั้นแต่ผู้แม่บ้านจะจบสยู่บ้านเพราะพ่อพ่าร้านเหมือนกันไต่ก็เลยไปถึงกับพ่อกับลูกชายก็ได้จบใส่หัวแล้วก็ถวายพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านกได้พระอกทองคำใครก็ไปบรรจุพบรมสารีริกธาตของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีบรรจุเนี่ยจากนั้นก็ พอตายจากชาตินั้นก็นไปสู่สวรรค์บพ อ, ออกจากสวรรค์ลงมาพอมาเกิดนี่ยเขาเอาเป็นลอยน้ำในบาปบาปาากรรมตอนนั้นแล้วงั้นเถอะเออ <c oughs> เกิดมาเขาไปลอยน้ำเกิดมาชาติไหนเขาไปลอยน้ำจะไม่เห็นแต่ชาตายอยงนั้นเถอะแต่มาชาตินี้ห่อนชาติพระพุทธเจ้าของเราพอเกิดมาหรือไม่มีพ่อเออพอเกิดปาตรงนี้ ใครเท่าลูกผ่านทางเป็นลูกเศรษฐีได้เป็นลูกมารทางเลยเพื่อความงจะลัดท้องเอาไว้เป็นไม่มีใครรูใ้ใครเห็นจากนั้นอพอออกลูกมากะเอาใส่ตะกร้าแล้วเอาดอกไม้ใส่ข้างบนเหมือนนั้นเลยก็เลยให้ทาสีไ ป, ไปไปเอาไปลอยน้ำไปเด็กคนนั้นก็อยู่ในอยู่ในตะกร้านี่แต่ดอกไม้เต็มไปหมดเหมือนนั้นเลยเขาปิดอดอกไม้ปิดเนี่ยว่าเ้าไปอะไรต่อเอาไป แต่ท้ายๆเรไปเช่นสวงพญานาคอย่างนั้นแหละฟ อ, อ, องหมายเลยนะแต่ที่แท้มันไม่ใช่น เ, เป็นเด็กอยู่นนั้นว่าเนี่ยก็เด็กน้อยมาอยู่ในสระอยู่ได้สะลำบังอยู่เนี่ยก็มีเ อ, อ, อันนั้นอยู่ข้างในเยมันก็ลอยไปแล้วลอยน้ําไปพอนนี้มีเด็กสาวผู้หญิงสองคนเขามาเล่นน้ําอยู่ในท่าน้ําพอเล่นน้ําเห็น เห็นตะกร้าวันนั้นลอยมาลอยมาคนนึงว่าอ้าวในชันตะกร้าของฉันคนนึงว่าเอาของอยู่ในตะกร้าเป็นของฉันเออสองคนเหมือนกันเลยคนเนี่ยว่าของในตะกร้าเป็นของฉันคนนี่ว่าตะกร้าที่ของฉันเหมือนกันพอเอาเข้ามาตัวเนี้ยมันจริงมีเด็กตัอยู่ข้างในเออคนเด็นวอ้าวคนอยู่ในตะกร้าเนี่เป็นของฉันเนกัเป็นเด็กเลยก็เลยเอาเด็กเด็กน้อยคนนั้นแหะ กละแบ่งกันคนหนึ่งจะได้กล้าคนนึงจะได้เด็กเหมือนกันพอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมานี้เด็กคนนั้นแตฉลาดอายุได้เจ็ดขวบถ้าจะเอาเลี้ยงไปผมไม่รู้จะทำไนงะแต่เห็นพรพระหาะกระชายจะนะั่งพระหาะกระชายจะนั่งจี่ภูมของท่านลุ่มลุยนะ่ยอย่างที่เห็นท้องใหญ่ๆนั่นแหละทา่านเข้มาฉันจะหันหอยู่ที่บ้านของโยมเป็นประจำไปฉันที่บ้านประยองของ ป, ประจำจะได้ลง ไอ้ น, นี่รู้แล้วว่าไอ้แม่เลี้ยงหรือนนรู้แล้วลูกชายตัวเองจะรับมาจากท่านนะไม่รู้ลูกเป็นลูกใครเย่างนั้นแต่มันลอยน้ามาก็เลยโอ้หนาสงสารนะแต่พก็คุณท่านจะรับเด็กไปเป็นสามเณรเป็นรับใช้ได้ไหมเพราะคุณท่า น, ปปนสมนนมติอ า, าจารย์ยานาหรท่านเป็นพระอาหานันต์นี่ท่านรู้แหละอดีตอนาคตว่า เ, ออเด็กคนนี้มันจะเป็นยังไงบารมีของเขาแก่ข้าแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ถ้าท่านไปฉาดเกียิฐานหรือท่านมองเห็นแล้วเด็กคนนี้มีอุปนิสัยทานเออได้ทานแม่กับหมอแพร่ธรรมมาค ร, รับ ร, รับเป็นลูกศิษย์มันนั้นแหะอายุหกเจ็ดขวบแต่ได้พอรับมาได้แล้วท่านเอ้มันยังเด็กเกินไปมันจะต้องเป็นเศรษฐีไม่ใช่ท่านทาคุณประโยชน์ให้แก่โลกได้อยู่เพราะมันมีบา ร, รมีไอ้นี่ อ่ยเพราะว่ามันได้ทําพระอบทองคําถวายอธิษฐานต่อกุภุติเจ้ากระต๊าบุญกุศลของมันไม่ใช่น้อยเนี้ยท่านก็เลยพอรับเสร็จแล้วท่านเละพาไปคุ้งราชคือพอไปคุ้งราชคือท่านก็ไปเห็นว่าเนี่ยไอเมียมันไนก่อนเนี่ะมันมาเกิดในบ้านหลังนี้มันก็ไปเออก้อนอินสาย เนี้อของมันมาเกิดที่บ้านหลังนี้ก็เลยไปบอกว่าพอาคนนั้นก็เป็นโยมประาขั้นเหมือนกันอบ้านหลังนั้นอ่ะท่านก็เลยบอกเออไอ้น้อยไอ้บอกพอยบอกแม่แม่แม่พ่อแกทางโน้นบอกว่าไอ้โยมเด็กครับเด็กคนนี้เอาไว้ในบ้านด้วยนะเป็นลูกศิษย์ของธรรมะนี่แหละเพื่อให้ผุกหัดธรรมาคาสายเขาก็ เขาค้าได้เขาเลยเอาไว้เป็นเด็กเด็กรับไว้สิขัดขุนขัดในการทํามาค้าขายละกันทํามาค้าขายค้าขายไปได้แค่นี้วันหนึ่งแต่ว่าร้านของเขาเป็นร้านใหญ่เพราะนั้นแหละเอเป็นร้านใหญ่ใหญ่มากเลยขายของทีนี้ก็วันหนึ่งเขาบอกเออไอ้น้อยไอ้ลูกตัวคงอายุสิหกสิเจ็ดปีมั้งเจงหนุ่มขึ้นมาแล้ว เจ้าเป่าร้านเจ้าขายของเท่าที่จะขายได้แค่ลูกนะเดี๋ยวแม่กับพ่อพ่อกับแม่กับลูกนะจะไปเยี่ยมญาติก่อนให้เจ้าขายเท่าที่เจ้าจะขายได้เอยากจะไปเปิเดร้านใหญ่นะเปิดแคบๆก็ได้หรอกขายเท่าที่จะขายได้ก็นับกับพอละอไม่ต้องเปิดร้านกว้างนะอลูกชานยนะครับผมวันนั้นเท ว, วดา ทั้งหลายบันดาลให้คนมาซื้อของในร้านนะเออใค่อๆไม่มองไม่เห็นใครบันดานให้มาซื้อเหมือนันเออถอะหมอเนโอ้โหขายของตีขนาดหนักเลยนะเด็กขายเอาขายเอาขายอ า, ข, า, ยอาของในร้านเนีขายหมดทุกอย่างเหมือนนเถอะจนเกลี้ยงร้านพอเกลี้ยงร้านเลยนี่พ่อเขบแม่เข้ามาเลยมาอ้าวป้าพ่อขอ ง, าาอ ข, องขายทิ้งไปยังไงจนหมดร้านเล ว่าผมขายแล้วฟอร์มขายของขายได้ยังไงนดินได้เงินดันอไปก่อนออหมอเนี่มันขายของได้ขนาดนี้มันคงมีบุญวาสนาบา ร, รมีมันคงจะเป็นบุญเก่าของมันมันจะขายได้ขนาดนี้นนก็มันกระทับลงมันถูกต้องหมดทุกอย่างนีเอยบัญชงบัญชีเราบอกอย่างไงไม่ได้อย่างั้นขายถูกต้องเลยเงินก็นถูกต้องท้าีรเห็นว่าไอ้นี่เป็นเป็นคนมีบุญ คนนี้จึเลยมอบลูกสาวให้ไปเออมอบลูกสาวให้ล้านพ่อมอบลูกสาวให้ตคนนี้เลยเอ้ไปออกไปสร้างละสร้างบ้านเอี่ยจะไปจะสร้างบ้านที่อยู่ตัวเองออกจากพ่อตาพอไปสร้างบ้านคนนี้พ่อไปสร้างบ้านเสร็จทองคํา ม, มันขดขึ้นทางหลังบ้านเหมือนเป็นภูเขาทองเหมือนกันขุดลงไปเป็นภูเขาทอง โอ้จะนี้จะไปกราบพูนพระเจ้าทิมีิสารบอกว่าภูเขาทองมันเกิดขึ้นแล้วจะทํำยังไงขอมองใหพ้พระเจ้าเป็นดินพระเจ้าแผ่นดินโอ้ย น, นี้เป็นบุญว่าสะนาำบาลมีทองพวกใจเอา้าใครในเมืองเนี้ยมีทองคํามากขนาดนี้มีไหมประกาศไม่มีอ่าถ้าไม่มีจะแสดงว่าเจ้าเป็นเศรษฐีประกาศให้เป็นเศรษฐีบาทอ่า พอมีภูเขาทองเขื่อนชวยบุญเนี่ยขุดลงไปมันเป็นภูเขาทองอยู่ข้างล่างนั่นแหละเนี่ยมันอยู่มันอยู่ในดิ น, นกะะ็เลยยกให้เป็นเศรษฐีจากนั้นเขาก็ร่ํารวยถึงจะได้เวลาไหนก็ขุดแล่านั้นแหะเนี่ยพอต่อมาต่อมาไปเนี่ยเขาก็กระลำรวยพออายุนั่นเสร็มาได้ลูกสองคนลูกชายสองคนก็นมาเกิดด้วยอีกเน ย, เนยพอมาเกิอดอีกเลยนะลูกชายแบบ พอเกิดเสร็มาแล้วพ่อทํามาหาเลี้ยงชีพพออายุมากขึ้นมา้เบื่อเจนี้ไปบวชแล้วจะเลยบอกก็แม่ว่าเออเราจะนี้ไปบวชแล้วให้เจ้าพองพาลูกอยู่จะนักเลยตังแม่วาโน้อยเมื่อเจ้าบวชค่อยจบวชด้วยกันนัะให้ลูกอยู่ซักหอยพรลูกให้ก็ อ, อยู่ซัพอแม่ก็แกแล้วเขาวัดเขวาว่านห้าปีหกปีลูกชายก็เป็นหนุ่มด้วยกันแล้ว ก่อจะไปบวชเป็นทิศสุนีอะไรเงี้ยก็เลยสองตาใจาก็เลยตกลงกันคนหนึ่งไปบวชเป็นทิศสุนีอผู้ผัวน่าจะจะไปบวชเป็นพระทิศสุทิศสุนีคือพระผู้หญิงเหมือนกันแต่เด้ก่อนที่จะไปบวชก็มอบหมายสมบัติให้แก่ลูกสองคนผู้พ่อก็เลยคิดว่าออลูกสองค น, นี่ยให้ hey, สมบัติที่เกิดขึ้นมาหลังบ้านนี่มันต้องเป็นบุญวาสนาบารมี ของเรา่วนหนึ่งจะลูกสองคนเนะี่ยใครจะเป็นผู้มีบุญวาสนาเราจะเราจะทดลองบุญวาสนาของลูกชายของของเราเนะี่ยสองคนใครจะเป็นจมบัตผููเขาทองมีด้วยมีดาดัางนั้นก็เลยเรียกทูนลูกชายมาเอาแต่จอกตรงนั้นแต่เอาเจาะเพชรตรงนั้นแต่ที่ทำโดยเพชรเนี่ยก็เลยบอกให้เอาลูก ตั้งจิตอธิษฐานนะถ้าว่าเป็นสมบัติของเราขอให้ขุดลงไปให้มันอ่อนเนี่ยจนีจป่อยให้ลูกชายคนโตกุญจันตัวอธิษฐานเสร็จแล้วเอาเจอบขุดสับลงไปในทองคำลยใส่ดังฮูมันไม่เข้าวะนั่นเอกระเด็นเลยเในอ้าวไอ้น้อยมาตั้งจิตอธิษฐานลูก ฝอยน้อยจับจอบขึ้นมากระสับพบลงไปเบบนั้นเลยเหมือนกับสับดินเหนียวนเงี้ยสายปบเลยสับดินเหนียวขาดปวดงัดขึ้นมาได้สับปดอะไรเมื่อกี้ดินเหนียวมันไม่แข็งมาเลยผู้พ่อเขาเลยเอออันนี้คงจะเป็นบุญวาสนาของไอ้น้อยนะไอ้น้อยนะพ่อมอบภูเขาทองนีให้แก่ลูกนะแล้วให้แก่เลี้ยงดูพี่ของเธอนะอย่าให้ตกทุกข์ไปยาย อันนี้พอจะนี้ไปบวชล่ะให้ช่วยช่วยกันดูแลประคับประคอกันนะลูกนะพอจะไปบวชล่ะมาเด้เลยพออย่อก็เลยกับแม่ก็เลยไปบวชไม่บวชเป็นนานไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหันทั้งคู่ทั้งพอ่อทั้งแม่อันนี้ท่านเฉลยออกมาว่าเพราะเหตุใรพี่น้องสองคนเนะี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นก็พราะผูกพ่อชวนพี่ชายใหญ่เนะลนี่ยพาลูกชายคนโตเนี่ยไปถวาย พระ อ, อกกับพระอราหันต์ไม่ยอมไปแล้วผู้น้องยังไม่รู้ยังไม่รู้จักอายว่าพ่อทเลาะ ก, กับแม่ไปกับพ่อเป็นเพื่อนของพ่อไปกับพ่อให้จบอธิษฐานยังไงอธิษฐานงไว้แล้นี่แหละบุญกุศลที่เกิดจากพระ อ, อกใส่พระธาตของพระพุทธเจ้าประสาทเป็นผลสืบเนื่องมานานเท่านานจนมาถึงอวสานของการพ้นทุกข์ของ พระอรหันต์สองตายายของท่านอันนี้ยกประเด็นมาอ้างมาเป็นเป็นเรื่องแต่มีหลายเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุนะอที่ว่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระกฏิเยตุพุทธเจ้าก็มีเมื่อพระปฏิเยตุพุทธเจ้าเปรียิพานแล้วก็เอาอัติธาต์มาสร้างไว้ในเจดีย์ในทางสีแป้ง ใครมาก็ได้มากราบมาไหว้ในทางศีแษะคนนั้นเขาไปสู่สวรรค์ได้เพราะกล่าวพระธาตของพอระปเจดผู้ไทเจ้จาเพราะนั้นเรื่องพระทาสของพระพุ้ไทเจ้าเนี่ยมองแล้วไม่ใช่ไม่ควรจะมองข้างตามพระไตรปิฎกแล้วเป็นสิ่งที่ควรสักการะบูชาเป็นควรของคำนักเป็นควร การาบไหว้เพิดทูลบูชาอย่างสูงนะแต่ทีนี้ทางว่าเราคิดว่าเน่ยพระพระธาตุพุทธเจ้าจะนมงานขนาดนั้นยังเป็นพระธาตุเหลืออันนี้เราก็ไม่ได้เกิดมาในยุคสมัยนั้นไม่ใช่เราขอเราเก็ไม่ได้ถือมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระรยุทพภานถือกับมือมามันก็เเราก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นแต่ถึงยังไงเราก็น้อมถึง พระพุทธเจ้าก็ทําพระสงฆ์ว่าเป็นอ น, นี้จิ อ, อัติธาตุของพระพุทธเจ้าไม่ไดเป็นอย่างอื่นเ ร, เราเํารึกถึงเรากล่าวว่าอ น, นิจจิพระธานุของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างอื่นวัตถุอื่นอะไรก็ตามเราไม่ได้คํานึงถึงจุดนั้นเราระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างรพระประธานที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยก็เหมือนกัน เราจะไปหาว่าเอออันนี้กาบทองเหลืองเฉยเฉยเนยอันนั้นมันก็งโง่เกินไปอันนี้จะคือตัวแทนของพระพุทธเจา้าเรากาบไม่ใช่กาบทองเหลืองไม่ใช่กาบหินกาบภูนกาบทรายไม่ได้กาบอะไรกาบที่เราเทิดทูนบูชา เ, เป็นตัวแทนของพระพุทธเจา้าเนกาบพระคุณของพระพุทธเจา้า เราไปกราบพ่อกราบแม่กราบกระดูกกราบผากราบพงชุยอะไรก็ตามเราไม่ได้กราบกระดูกแข่งของท่านเรากราบพระพคุณของท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาเรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าพระคุณของท่านได้ป้อนข้าวป้อนน้าเลี้ยงดูเรามาจนแสงอ่อนจะออกจนเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รู้เรียนสาภาวะขนาดนี้ถ้าว่าท่านไม่เลี้ยงเรามาเราคงจะไม่ได้เป็นคู่เป็นคน เพนั้นเรากราบกระดูของท่านคือกราบพระคุณของท่านไม่ใช่กราบกระดูกแห่งถ้าใครจะกราบกระดูกแห้งแต่ว่าคนนั้นเข้าใจผิดไม่เกิดประโยชน์กราบพระคุณถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ตอบขอบคุณท่านอีกอย่างหนึง่งข้าวน้ําโภชนาอาหารปัจจัยสีขามไหนสิ่งไหนผาดสกบกพองกันดูแลเก็บไข่ไก่ปูของบิดามารดาเป็นหน้าที่ของบุตรทิดาจะต้องช่วยกันดูแลดูแลรักษา อย่างเต็มที่จุดความสามารถของบุตรธิดาแในเมื่อท่านหลวงรับดับพันไปแล้วเราจะกราบพันหรือว่าเราไปทําบุญแต่ละครั้งเราก็ทำํำ น, อน้องจิตอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณของ่านหรือกับพระคุณของพ่านี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเรากราบพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้พวกเราให้รู้จักทำมั่สิ่งควรทําไม่ควรทํารู้จักบาปุณคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดในพระไตรปิฎกพระธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมวิคขันทวินัยพระสูตรพระอภิธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเคารพนับถือกราบไหวบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดันั้นเมื่อเราวงเคารพนับถือในคำสอนเราก็ต้องเคารพในผู้ที่ท่านสอนคือพระพุทธเจ้าแน่นอ ในเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้าเราต้องเคารพในพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบนําพระธรรมคําสั่งสอนมาเผยแพร่เผยแพร่ให้พวกเราเข้าเข้าใจในพระธรรมคําสั่งสอนถ้าว่าพระสงฆ์ไม่นําพระธรรมคำสั่งสอน พ, อพระพุทธเจ้ามาเผยแพ่ให้พวกเราพวกเราก็ไม่เข้าใจพวกเราก็ไม่รู้ว่าพระธรรมของ พ, พระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างคือพระสงฆ์ ถ้ารมพระพุทธเนี่ยยึดว่าเป็นสา ร, ระเป็นที่พึ่งเป็นที่กราบไหวสักการะบูชาของพวกเราเหี่ยพวกนั้นพวกเราที่ได้มากราบพระบรมสาราีริกธาตุีนครั้งนี้ก็ตัง้งจิตอธิษฐานแน่วแนว่ไปกราบไป็ไหวบูชา <นะ S 1> ขอให้เจริญยุ่งพุ่งเรืองยิ่งโดยอายุวันนาสุขะภาละศาสนาสิ่งใดที่เป็นศีลธรรม ขอขอให้สําเร็จสมความปรุง ม, มาตปราถนาแล้วก็ได้ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมอ่าในที่สุดเออขให้ได้ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดโดยเร็วด้วยนะแอบอย่าไปฆ่าเกิดในโลกโลกวัฏสงสาร น, นั้นไม่ชดไม่แช่ของสนุกหรอกแต่อีสเหน่อยก็แก่อีสเหนี่ยก็เจบ็บอีสเหนี่ยก็ตายนี่จะสนุกที่ตรงไหนถ้าพดทุกข์ในวัฏ ส, สงสารไม่มาเวียนสป้ายตายเกิดซะ นั่นหละเป็นบรมมสุขนะหลวงพ่อได้พูดความหมายที่พวกเรามากราบมาไหว้สักการบูชาในพพระองค์สารีฤิาษ์ธาตุที่พวกเรานำมาจาก้เจ้าคุณลสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นเราก็จะ น, นำไปปฏิสถานบนยอดเจดีของคุนแม่ชีแก้วจากที่หลวงพ่อได้กล่าวมาทั้งหมดด้วยบุญวัสนาด้วยบุญบารมี พระบรมสารีดิกธาตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ขอให้พวกเราเจริ ญ, ญดิ่งโดยอายุวันนะัสุขภ า, าละปรารถนาสิง่งใดที่เป็นศีลธรรมให้สำเร็จสงความมุ่ง ม, มากปรารถนาและได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกๆ ท, ท่านเหือด้วยเธอ